ทำไมมันอยากทำผิดศีลห้าได้ก็เพราะราคาโทสะโมหามัแทรกเพราะกิเลสมันแทรกเพราะมีราคะามมีความโลภขึ้นมามีความอยากขึ้นมาเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นก็ได้นะอยากได้สมบัติของเขาไปทำร้ายเขาก็ได้นะไปรักเขาใช่ก็ทำผิดศีลได้นะชอบเขาก็ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงรักเธอคนเดียวอะไรเี้ยโกหหรือรักเธอที่สุดในโลก นี่ก็กหทุกคนรักตัวเองมากที่สุดในโลกไม่มีรักเธอที่สุดในโลกเ น, <_ d> um> นี่ยพอมีราคานะทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะ <_ d> um> มีราคาเพลิดเพลินสนุกสนานไปกินเหล้า <_ d> um> มีโทสะขึ้นมาก็ทําผิดศีลทั้งห้าข้อได้โทสะขึ้นมาก็ไปทําร้ายเขาได้ไปแกล้งทําลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งขโมยเขาก็ได้นะแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้นะแกล้งใส่ร้ายเขาก็ได้แกล้งชมเขาก็ได้วิธีทําร้ายคนนะ